เมื่อตั้งใจฟังแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวเราถ้าหากฟังไม่เป็นมันก็นําความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เราการฟังนั้นมียุสองอย่างหรือสองข้อหมายข้อหมายหนึ่งนั่นฟังตั้งใจฟังแล้วเพื่อจะมาดัดแปลงแก้ไขตัวเองการฟังแบบหนึง่งทั้นฟังแล้วเก็บเอาเรื่องอนั้นอันนี้ มาคิดื่อนเลยเป็นกมทุกข์เรได้แก้ไขตัวเองมาเป็นกมทุกข์เสื่อเป็นเป็นองงการฝังและนั่งการปฏิบัติธรรมมานั้นมีอยู่หลายอย่างซช่ผมเคยทำมาพุโทโธนั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวตรงแล้วกับภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโร อันนี้ก็ดีคมทำมานานอันนี้ดีจากนั้นมาทำสัมมาอ拉หังก็เเมือนกันนั่งสมาธิตั้งตัวตรงแล้วก็หลับตาอันเดียวกันทั้งนั้นพองยุบอาณาปานาสตินับหนึ่งสองสามถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกทั้งนั้นนับได้สิบลงมาถึงหนึ่ง อันเดียวกันเมด่ครับผมผ่า ม, มาเรื่องเค่นี้แล้วก็ น, นับตั้งแต่นึไปถึงยี่สิบนับตั้งแต่ยี่สิบลงมาถึงนึ่งเรียงตัวกันไปให้มันถูกกับลมหายใจดีทั้งนั้นมันได้ควมสงบมันบบได้เกิดปัญญามันเลยโบรู้ผิดโบรู้ถูกรู้ตั้งแต่ความสงบเท่านั้นเมื่อออกไปข้างนอกมีคนมาพูดให้เรา มันเกิดพอใจตีใจมันเป็นอยงไรมันเลยแก้ปัญหาตัวเองบุได้พมแสวงหาการสฏิบัติธรรมะเพื่อมาแก้ปัญหาตัวเองครับบุไม่ใช่ไปแก้ปัญหาผู้อื่นแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาสังคมต้องแก้ตัวเองก่อนครับเมื่อแก้ตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาครอบครัวได้แก้ปัญหาสังคมได้ อย่างพระทรงองคเนนก็คือการแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็จะแก้พวกมูลแก้พวกมูลบทสําสคัญครับสำคัญแก้ตัวเองเมื่อตัวเองแก้ตัวเองบ่ได้จะไปแก้พวกมูลบานบ่ใดแต่เรื่องมูพราะมันเก็บเอาเรื่องของมูลมาแบกมันเข้าเรื่องขาจาวาคนแบกโลกเลยยิ่งแบกก็ยิ่งหนั ก, ก น, นีเมื่อมีคนทักว่ายาแบกมันหนักนนมันเกิดว่าตัวกู้ของกู้ จะรอให้ฟังว่าขยับเข้าขยับเข้าคนที่สุดโลกทับโลกโลกในทับหัวตายโลกทับดับชวาก็เลยตายตายปกแบกโลกแบกโลกว่าไม่ใช่ไปแบกค่ะมันหนักอย่างที่แบกดินหรือแบกต้นไม้แบกอะไรต่างๆบนแบกแบบผมคิดผมคิดคนเรายู่นตะเก็บมาแบกทั้งเมื่อหนึ่งคือคนแบกโลกบุต พกนําความพกความเดือดร้อนมาให้แก่เราพอได้ได้ยินเสียงเรื่องอะไรต่างๆเราสลัดเท่งสลัดเท่งบอออกมาแบบบอออกมาคิดแต่เราต้องรู้จักว่าเราทําดีหรือเราทําซั่วเราทำทิพย์หรือเราทําถูกอันนี้ที่เป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเราทําดีแล้วคนอื่นมาซัวมันไม่ได้ซัวอยู่กับคำพูดตรงนี้ยชั่วอยู่กับตัวเรา มันนี่ถ้าเราทำซั่วแล้วคนอื่นว่าดีมันไม่ได้ดีอยู่กับคำวา่ามันดีกับตัวเราดังนั้นเพื่อจะว่าให้แก้ตัวเขาก่อนเรื่องคำพูดใะบทสำคัญเมื่อแก้ตัวเขาแล้วมันสบายแล้วตัวเขาเพื่ อ, อยังให้รู้จั ก, กว่าแก้ตัว เ, เป็นหาวิธีปฏิบัติธรรมะมันหลายเรื่องครับวิธีเดินไปเดินมาเดินเบาๆอย่าไปเดินแรง ถาอยู่ร่วมกันคุติเดียวกันสองคนนอนตื่นทำตัวเบาๆอยากให้คนอื่นรู้สึกตัวถ้าเราสิบวยอยากปุกอยากคนกันกันออกมาเบาๆเปิดประตูเบาๆล้างหน้าเบาๆถ้าคิดเธอทำลายในทําเบาๆทั้งนั้นคําว่าเบาๆนี่โบ้เป็นเบาในเฮ็ดค่อยๆโบ้ให้ผู้บ้ให้มูอหูวจักให้ว่าจะไปถ้าเราเจอลูกถ้าเราบ้ลูกเราก็นอนอยู่ในพันเลย นั่งนั่งอยู่ในกุฏิเรานั่งอยู่ในมุงก็ได้วิธีนั่งหลายนอนนอนกุฏินังเดียวกันถ้านอนปุฏิผู้เดียวไปนีกว่ลุกออกมาพยาาพยายามเปลุกขวนมู่นอนตื่นดึกตื่นดึกอย่างน้อยก็ต้องตีสองตีสามเนี่ยผมปฏิบัติผมนอนตื่นอยา่างนั้นฝึกหัดเลยครับการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกหัดฝึกหัดตัวเองทดลองเบิง้ง มันฝึกได้บ่เมื่อเราฝึกหัดตัวเองได้คน อ, อื่นก็ต้องฝึกได้เมื่อเราฝึกหัดตัวเองบอัวได้จะไปฝึกหมูอนึ่ฝึกบัว ไ, ได้แต่แเรื่องมือดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนอนให้มันเต็มที่นอนมากคําว่านอนมากว่าไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเด้วยครับกลางวันก็นอนกลางคืนกับนอนบัแม่เนี่ยคำว่านอนมากเนี่เราปกติรำวัดเด่นห ร, รือทำวัดเส้าเราเพียงมาฟัง นันแออกมาไปทําธุระพอได้อยากนอนนอนรถใครทีพูดจะในกรรมสร้างคนอื่นน่ะเราต้องนอนเต็มทีเลยนอนนั่นคือว่านอนให้มันหลับไปรถนอนหลับคนนี้ต่อาจจะบวกคือกันกัได้และจะคือกันก็ได้ครับนอนแล้วมันหลับไปเลยหลับไปอย่างสนิทครับหลับว่ฝันว่ยังสบายไปพอดีนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บอืมมันตื่นขึ้นมาแล้วมันลุกโลด โมลูกของกระพยายามทําคนเพียรอยู่ในมุ้งไหนบอลถนนดีินอนทําก็ได้นั่งทําก็ได้ถ้าฝึกหัดดีบัดนี้เราฝึกหัดอย่างสั้นถ้าถ้าเราฝึกหัดอย่างสั้นแล้วบัดนี้นอนไปเราจึงรู้จักว่านอนหลับเต็มที่แล้วบ้านมันจะตื่นมันต้องมีมีการเพิไหวในตัวคุามคิดคุณครับมันจะฝันบนเรื่องมันีะเป็นนังไงครับแล้วก็สังเกตตัวเองครับนี่มันเป็น เป็นวิธีสอนเฮาทั้งนั้นเรื่องมูล น, นิยมบุญเป็นจีนเปนทีมาทําให้เฮาบุญเปนจีนเป็นเทวดามาทําให้เฮาผลที่สุด พ, พระพุทธเจ้าเองก็ทําให้เฮาโบได้เรื่องอันนี้เราต้องทําเองครับเราต้องฝึกหัดตัวเราเองลองเบิ้งระยะเตื่นออกมาแล้วถ้าหักมู่มาทำวัดเขกาก็ทันมือโอนเขาฝึกหัดไปแล้วนี้บางคนนอนตื่นสาย คำว่าใส่สายในบ้านผมเรียกว่าสวยๆนอนตืนสวยที่ไปทำมาหากินกระโบถันนูอันนี้พอรอให้ฟังนอนต้นเดือไปท่าอุจจาระกลับไปใกล้ๆครับบริเวณกล้ๆข้า น, นอนตื่นสวยแล้ววันนี้กี่ไปท้าอุจจาระปัสสาวะมันคนหลายนะครับใกล้ๆๆคนไปไกล้ๆถ้วคนเห็นเนี่ยใกล้ๆครับเป็นว่างเป็นพอรอให้ฟังแต่ไม่อย่างน้อยทันสอนท่านสอนเล่นๆเนาะ แต่มันเป็นความจริงครับการไปทํามาหา ก, กินก็เหมือนกันถ้าเ่าตื้นสวยแล้วของดีอันใดคาเจ้าที่เอาไปซื้อไปขายเขาเจ้าไปขายหมดแล้วห่อรูบเลดหันถ้าห่อตื้นเด็กมันเสียมันยกไก่ห่อไปซื้อเอาก้อนยเป็นอย่างนั้นแต่ไ ก, ก่รักโบไปเอาแล้วของมันโบโบเป็นตปเอาแล้วเ่าเอามาแล้วอันเนปันวาเนี่ยมันมีซองคำกลับกันครัให้ทำอย่างโตกาแต่เนปันวาน แต่จะเอาตัวย่างของกาพอร้อให้ฟังกามันตื้นเดืก ม, มันหากินมันกินหลายแล้วมันคิ้รักกาเนี่ยรักกินหมกผ้าแดกคนไปให้ไปนารักกินห่อเขา้าคนไปให้ไปนาบ้านผมแต่มันตื้นเดิกหากินเก่งแต่มันกินเก่งแล้วรักอีกไปด้วยแล้วให้เอาตัวอย่างของกาคือตื้นเดิกอย่าไปเอาตัวอย่างของกาคือรักกินกับห้องดูโมเดิร์นไหน อนนพอผมเล่าให้ฟังอันนี้แต่เราทำย่างกาแค่ย่าเอาตัวอย่างของกาเฮาก็คือการตื้นเด็กตื้นเด็กหล่อนพลอยลางหน้าลางตาทําธุระของเฮาเนนก็ทําได้พ่าก็ทาได้ญาติโยก็ทําได้แม่ขาวแม่ดําทําได้ทั้งนั้นถ้าหากที่ทำถ้าโบทําทกระ่ บ, บเป็นยังสิ่งเรานี่มันบบผิดกฎหมายโบไม่คนจับเข้าไปใส่คุกใส่ตารางมิยัง ถ้าเราอยากฝึกตัวเหงาต้องก็ต้องฝึกเท่านั้นเองผมบอก ม, ม่ทุลาจีไปแบกอันนั้นท่านนังสิผบอเอาโมแบบอย่างสันอย่างสีผมเพียงจะเป็นผู้แนะนําสอนสซื้อเล่าสู้ฟังให้ว่าจไปซึ่งที่ผมเคยทํามาอย่างไดผมเล่าสู้ฟังเดียวกันผมเคยเล่าให้ฟังผมไปปฏิบัติทำมาเรื่องผมทีเอามาเล่าสู้มู่ฟังเนี่ยผมนอนประมาณจาก 2, สองชั่วโมง 3, สาชั่วโมงเท่านั้นละคอแล้ว ติ่นมาตีหนึ่งตีสองลุกทำผมเพี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วผมมารู้สึกตัวเกิดมีความคิดมีสติปัญญาพอที่จะรักษาตัวผมได้ประมาณตีห้าับตีห้าผมรู้สึกตัวผมนี่ว่าผมรู้พอสมควรให้ว่าได้ไหรักษาตัวเราได้มาคิดในใจตัวเองและกัทุกคนถ้าหักฝุดอย่างนี้ ปฏิบัติอย่างนี้ต้องรููอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนบนยกเวรผมยังเปรียบไปเม็ดข้าวไปข้าวเปลือกข้าวเจ้ากับซางข้าวเหนียวกับตามถ้าเอาไปลงไส่ดินที่ซุ้มที่เย็นงอกทุกเม็ดคันเป็นข้าวรีบเข้าวบ่มีไหนข้าวเจ้ากับซางข้าวเหนียวกัตามเอาไปใส่ที่ซุ่มที่เย็นเปื่อยเนา่าที่มิ่บ่ง อ, อกมันบ่มไหนผมว่ า, า, าคำคำนี้ว่ากำหมายถึงว่าเว้เล็บบ่จํา จำบล็อกจำเอาไปคิดอย่างอื่นบอชมาปฏิบัติเมื่ออามาปฏิบัตินั่งกับไมยถึงไม่เข้าตื่นคันบอชมาปฏิบัติกับเป็นไม่เข้าลีบครับมันเป็นคําสมมุติที่เอามาเล่าสู่ฟังเท่านั้นซื่อพอเดโลู้ออกมาอย่างนั้นนะประมาณหกโมงนี่แหละครับหกโมงนี่ผมเกิดความคิดเกิดความรู้รู้ไปร้อยอันพันอย่าง รู้ออกจากนอกตัวไปได้บ้า น, นี้ยรู้นอกตัวไปแล้วก็รู้เรื่องโลกเลยบ น, นี้ครับรู้ไปถึงใต้น้ําใต้ดินไป ห, ห, หูจักแลยมันคิดไปลืมมดสิ่งนั้นรู้แล้ว ม, มันลืมรู้แล้วมันลืมลมีแต่พูดให้ผีฟังพูดให้เทวดาฟังอันพูดให้ผีฟังก็หมายถึงว่าแสดงธรรมะให้ผีฟังแสดงธรรมะให้เทวดาฟังนั่งอย่างนั้นยืนอย่างนี้มันคิดไปเองครับแล้วผีกระโจเห็นเทวดากระโจเห็น ความจริงแล้วพี่คือทำซัวพูดซัวคิดซัวเทวดาคือคนทำดีพูดดีคิดดีมันอยู่นี่รู้แล้วได้ครับมันนักลืมไปบัดมันคิดเป็นมันลืมอันนั้นมันเข้าไปในความคิดเจนตกเย็นพี่นะครับไปอานา ม, มุ่งแหลมมาย่งางไปย่างมาย่างที่ตัวหอยย่าง เ, เรียกว่าเดินจมก้มมาสั่นย่างนะครับโม่เคยรู้ความคิดตัวเองอันความรู้กับความรู้ของมคิดนี่คนละอันกันเนี่ อย่าเข้าใจว่าเป็นอันเดียววันนี้เรารูกการเคลื่อนไหวคลิปมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังพิบตาอ้าปากกลือนน้ำลายไปในลําคอนี้หายใจเข้าหายออกอันนี้มันรู้ครับมันบุยเห็นบุเห็นกลมถิดพอดีมันรู้อันนี้รู้ไปให้ว่ารู้ให้หมดนั่นนะครับเรื่องสมมติเนี่ยผมรู้หมดนะมันเลยบุยเห็นกลมถิด มันรู้ได้อันนี้ยบุษยบุษยเห็นของคิดได้มันรู้ซื่อได้อเองรู้เรื่องนี้มันกันเลยมึหมึดครุบแบบไหว้ทีไหว้เทวดาเสื้อเลืกงามยามดีเนี่ยผมมดแทๆ้ๆบุษย์สงสัยเรื่องพวกนี้มันรู้อั น, นแต่มันบุเห็นของคิดมันเป็นปัญญาอันนึ่งเรื่องสิ่งเสดติดมือเมาเนี่ยผมเลิกได้ทันทีผมรู้ได้ครับคราวนั้นผมติดบุหรี่หนักครับสูบบุหรี่ี่มือจนแดงแล้วครับ บุหรี่อยากกระป๋องคนสูบบุหรี่ไปที่ใดไกลๆกันต่างๆถ้าผมบุหรีสูบบุหรี่เดี๋ผมเอาดังสูบออกมันสิ่ก็มีแหงครับมันติดเลยครับตอนนั้นมันเป็นพอเดีรู้เรื่องนี้เราเลิกมันนั้นเลยบุหรี่อยู่หกคร้งหนึ่งอะเอ้ามึงสูบมึงัูดสูบบุหรี่ขันบนดุยยาให้จับจับเอามามึงดูดสัญญาอาปากนึงอาบุหรีผมทําตัวของผมมึงมัดทุกอย่างตลอดเอามาใส่ปากแล้วเอาสูบมึงนูดสูบบุหรีบ่มีไฟ เอาจุดไฟสมาลูกสูบ่บได้คันี้โบอนุญาตให้สูบผมเป็นมันรู้อันนี้ครับมันเียนเพียงแค่รู้อันนี้โบได้เห็นควาคิดเลิกได้ทันทีเลยโอ้บาดใดมันเรื่องบังซี่มันเป็นบางที่ผมรู้อย่างสั้นผมจึงนํามาเล่าสู่มู่ฟังตกเย็นที่ไปอาบน้ำมาคล้ายๆคือมัมีคนผักข้างเนี่ยดันข้างมู่หนึ่งข้งที่แล้วผมซอกหาคน เอ e humans, vemos, no. ๊ม to ีอย่างมาผักค้างมาสุกค้างเหล่านี้นั่นโมเหตุมีอยังคมคิดหนึ่งวเป็นตนว่เป็นโตครับครั้งที่ครั้งที่สอนมารู้สึกตัวโอ้คมคิดแล้วนี่มันคิดมาจากใส่หาโมเหตุเลยเมื่อกี้เห็นเป็นตนเป็นโตยังไดผมคิดอ่ะครงเงที่สามเนี่ยผมรู้เลยครับอ๋อความคิดมันเป็นอย่างซีดแน่ผมรู้จักผมคิดผมเอรู้แท้ๆได้ครับว่าเป็นรู้เล่นน่ยรู้เห็นเข้าใจเนี่ยเป็นอย่างว่ารู้จำรู้จัก รู้แจ้งรู้จริงตอนนี้มันรู้แจ้งรู้จริงครับพอดีรู้ผมคิดผมก็เลยรู้จักสมุทฐานขความคิดต้นเหตุของความคิดผมรู้จริงๆครับรู้สิ่งนี้แล้วผมก็เลยเออผมโอดผมโลภผมหลงนี่มันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะตัวนี้พี่เด้เมื่อเห็นเรื่องรูปนามนั้นเดีโอ้มันเป็นสมุทฐานเป็นเพื่อ น, นบัดมาลู่ตัวนี้แล้วอ๋อมันแก้ทุกข์แก้ตัวนี้พี่ แก้ตัวคิดพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันเป็นอะไั่นเพื่อนั้ น, นวา่วาไว้เรื่องผลแบกโลกว่าเมื่อกี้นขนแบกโลกว่ า, ม, วามั น, มนยิ่งแบกก็ยิ่งหนักเมื่อมีคนทักตัวกูของกูขยับ เ, เข้าไปมู่แบกหามาอยาแบกมันนะักโลกเนี่ยมันเป็นตัวกูของกูแบกกันหนักเข้าไปนี่เนี่ยก็คืกอการยาทึกทักว่าเฮาฮู้ธรรมะเฮาฮู้นน้อยอยาทึกทักเอาเองว่าโอ้รู้แล้วธรรมะเนี่ย อันนั้นรู้ยุค้ครับแต่มันแก้ทุกข์ได้ให้เขาพยายามปฏิบัติตัวเขาให้มันแก้ได้ที่จริงๆถ้าแก้บุได้มันลําบากมันทุกข์ผมทุกข์ผมไม่พูดอื่นเ็ให้เขาเขาเทศเอาผู้เดียวเขาเขาสร้างเอาผู้เดียวเขาเขายุดแล้วก็แล้วไปถ้าเขาโหยุดยิ่งทําเข้าไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไ ป, ปอันนี้มู่ได้ที่เขามาประชุมกันที่ ธรรมะเตาธรรมะเจดผู้เดวาวเท่าใดหันหลับฝังแกอยากไปแบกคันผู้เดวาวที่ได้เลิกกลบมาแบกขเขมื่อโอ้เต็มที่แล้วย่างที่ผมว่าให้ฟังเมื่อเ้าวานนี้ครับบาดอยู่หน้าแข้งบนอื่นบ๊บ๊ทสาคัญเท่าใดครับอันนี้พอเราให้ฟังเต็มเมื่ออย่างน้อยคันเป็นบาดจะหน้าแข้งเนี่ยหังงนย่างไปให้ไปนาไปเตาใบงามันผ่านมันทนนูกหน้าแข้ง ให้คิดว่าบุอื่นมันบูยักยยไปทุกใบไม้หรือใบหญ้ามันอยักไปทุกแต่บนบาด ท, ท่านเหรอครับอันนี้ให้เข้าใจว่าเราไปเก็บเอาแต่ เ, เ, เ, เรื่องอื่นมาคิดบาดอยู่หน้าแข้งเขานี่ยเขาต้องแก้ตัวเขาพีจะไปแก้ผู้อื่นเขาพูดีบนไดขอยบน ง, งัโวโอ้ดีแล้วจึงเฉยใดเขาดีบนไดท่นเขาเฉยใดอันนี้ใครผูดดูใดว่าวอยู่ได้เก็บมากูผิดอันนั้นกูเฮ็นอันนี้กูดีแล้วมู่อยังว่าอันนั้นแบกแล้วนะี่ย เราคนแบกโลกเราดีแล้วจะไปเก็บมาคิดทำาเราซัวแล้วต้องแก้ตัวท่า น, นเองที่ผมว่าในะบไม้มันต่อแต่บาด ท, ท่ามันถุงไปบาด ท, ท่านท่านว่ายางนี่บุรู้จักผมนี่มาเปียกเทียดอีกแบบหนึ่งว่าเหมือนกับเสี้ยนกับน้ำมันตาําเห่าบ้านผมนี่ว่ามันปักมันใส้หนองมันเป็นหนองมันเจ็บแต่ความจริงเห่าอยากเอาเสี้ยนเอาหนามนั้นออก แล้วไปหาหมูอเอาเข็มมาต่อไปลายหนามมันว่าจเจ็บเจ็บว่าฉันคนที่สุดเอาออกบัได้บางคนมันเจ็บหลายเลยบัวให้หมูอ อ, อกเสี้ยนหนามก็เลยปักอยู่หันตลอดเวลาบางคนผู้สลดัดบัเจ็บคนผู้จีเมาออกให้เขาเออบนท่านหลัเออตอกบนท่า น, นหนลักเนี่ยูขาจักเจ้าของมันเสี้ยนปักเจ้า ข, ของกินี่เกาจะเอาเสี้ยนอน่อนหนาออกให้เขาแล้วหนองหรืออันที่มันเจ็บข้างในก็เลยหายไปไว้ครับ อันนี้ก็คือการเปรียบเทียบให้ฟังซื้อๆ อ, อย่าไปเอาเรื่องของคนอื่นมาแบกบให้เขาแก้ตัวเขาอันนี้ให้แก้ตัวเขาอย่างนี้การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าหากว่าทำได้ดีนอนให้มันหลับเมื่อคือกลางวันอย่าหลับถ้ามันอยากหลับกลางวันแก้ตัวเองไปทําการอันนั้นทํางานอันนี้การทํางานไม่อันเดียว น, นี่ครับบ้านผมนี่ว่าทํำการทํางาน น, น เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดนั่นก็ทำนั่นแหละครับทำอันนั้นทำอันนี้บ้านผมเรียกว่าเฮ็ดทันนั้นเฮ็ดอันนี้ทางบ้านอื่นเมืองอื่นมาทำอันนั้นทำอันนี้เอยก็บคำเดียวกันบ้านเรียกว่าเฮ็ดมันก็เลยหายง่วงหลับง่วงหนอนั่นไปแล้วก็มาดูดูตัวเราดูความคิดเรากลางคืนนอนให้มันหลับกันนี่หลับอย่างที่ผมว่าขันต้นหลับจริงๆเนี่ยหลับจนเงินบ๊ฟั่านคุนละ อเดมันฝันปุ๊บมันตื่นต้อไปมัจจิเป็นอย่างสมมติฝึกไปมันเป็นเองครับฉะนั้นธรรมะบบเมนที่เป็นตนเป็นโตไม่เห็นเห็นในโบแมนกระตัวคนทุกคนเป็นธรรมะทำดีทำซั่วเหว่ากันเนี่ยธรรมะคือค้นอย่างวะคิดดีคิดซั่วเนี่มันโบสกิเป็นตนเป็นโตมาเห็นดวงแก้วแล้วเห็นพระพุทธรูปเห็นสีเห็นแสงอันนั้นเข้าใจไปคนละเรื่องอ คนผู้นั้นแปลว่าบุยเห็นความคิดตัวเองไปเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปลอยมาบุยเห็นความคิดตัวเองในอันนั้นความคิดมันหลอกเขาเห็นสีเห็นแสงเห็นที่เห็นเทวดานะแม้นบุ้ยเห็นความคิดทักนั้นมันหลอกมันเป็นมายาตามเท่าที่ผมได้ปฏิบัติมาครับเมื่อมาเห็นความคิดรู้ความคิดเข้าใจความคิดสัมผัสกับความคิดได้ดี มันนึกมันคิดอะไรก็รู้มันก็เห็นมันก็เข้าใจสัมผัสได้เออเรื่องน้อยๆเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่คนบ่กเข้าใจเรื่องนี้เท่านั้นเองผมก็เลยเออคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแปดหมืนสี่พันพันธมรัคพระสูตรพระวินัยพระพิาาพธรรมรวมรวมมาแล้วอยู่ที่กายวาจาใจถ้าพูดง่ายๆเนี่ยพูดสั้นๆ ดูใจนะบาดเดียวโรดเดียวเรื่องดูใจเป็นเรื่องสําคัญพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บผมเลยไปเปียบไว้นักมวยขึ้นไปเวทีบวต้องไหว้คู่คูต่อสู้หมาจกปักบใส่ลุมตาโรดใส่ลุมตาแล้วมันมืึนตาบบได้มันโลมโลดคู่ต่อสู้อันนี้ก็คือการพอเดมันคิดปุ๊บเห็จมันหยุดโลดหันขึ้นไปคูต่อสู้บวมีวัตถุตัวแกล้งทันเมื่อไปถึงคูต่อสู้มา โซกบูธึกจักเทือมีแต่เขาโซกเอาน็อกกับโซกเป็นคนเดียดวนะครับเรานี่ลมเอาทุกครัง้งทุกครั้งไปคนที่สุดแพคันบ้านผมนี่ว่าแพสนะไปว่าแพอันนี้แพคือถือว่ากลัวว่าย่านมาแพบ้านผมเห็นไหมจันนันฝึกหัดธรรมะเนี่ยฝึกหัดกับปู่ต่อสู้ผมไม่ได้ไปต่อสู้คนภายนอกต่อสู้กับผมคิด คนนั้มันคิดเออนี่คิดมาแล้วเห็นรู้เข้าใจสัมผัสได้ความคิดมันทูกหยุดทันทีเมื่อความคิดมันหยุดแล้วหอกกระโบได้ถูกปรุงแล้วอันปรุงนะเพือ่อนสังขารเป็ว่าการปรุงแต่งสังขารคือลูกกายในอันนึงอันนี้มันเป็นส่วนนอกสังขารการปรุงแต่งเพอีกตื่เถอะนึ่งนี่สังขารการปรุงแต่งโตความคิดทุนนี้มันปรุงแต่งมันแต้งมันปรุงให้ทุกข์ให้สุข ให้ดีให้ซัวมันเว้าเอาอยู่คนเดียวมัเขาบ่เห็นมันเมื่อบ่เห็นมันแล้วก็เข้าไปในความคิดอันนั้นมันเข้าไปแล้วกับปอกบุเป็นแล้วก็ทุกอยู่ตลอดเวลาเมื่อกับคนเข้าถ้ำอันเข้าถ้ำนี่ว่าเจ้าของเห็นท้ำบ่เห็นมันอยู่ในถ้ำมันเลยมันมืนมอตึ๊บอยู่มันเละเขาออกนอกถ้ำเขาออกมานอกที่เขาเห็นเห็นปากถ้ำเห็นในถ้ำเนี่ยเห็นอันนี้เขาออกมาจากความคิดพอเดนมันคิดออกนอกความคิดเลยเบิ่ง aha. ผมไม่เอาตาเบิ้งนะมันเป็นตังแต่ ม, มันมีอัญจีว้าให้ฟังให้เอาสติกก็ได้เอาปัญญาก็ได้เบิ้งควาคิดมันคิดเห็นรู้เข้าใจควาคิดทุกหยุดรถทันทีอันนี้เว้าให้ฟังวอลให้ฟังได้จำนนเป็นเอิ้นรู้จำรู้จำก็รู้จักรู้จักเพื่นว่าให้เบิ้งคิดรู้จักรู้แจ้งว่าสิ่งเขารู้เองรู้จรงิงว่าสิ่งเขารู้เอง นั้นปเปว่สันทิโกสอันผู้ลู่จะฝืนเห็นเองเอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นยุคใดสมัยใดก็เป็นอยู่จังสันมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมันก็เป็นอยู่จังสันว่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมันก็เป็นอยู่จังสันขอให้ใจมีคนคันเป็นคนแล้วมันคิดกันวัดพระเดนก็นคิดคือกันญาติยมก็คิดคือกัน คนไทยคนจีนคิดคือกันมดทั้งนั้นคนฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษคนคาเมนคนยนคนเราคิดคือกันมดเรื่องความคิดว่าผิดกันอันนี้จริงว่าธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้านั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่โบมีคนซอกคนหมัน่นโบพบ่เห็นเมื่อมีคนมีปัญญาคนพบคนเห็น โบมันปัญญาศึกษาแล้วเรียนจบพระไตรปิฎกโบมันอันนั้นเนี่ยโมัเนเทตเคยได้ยินแน่พระโอธิระบาลานเป้าเรียนจนจบแกโบเคยดูผมคิดตัวเองเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเคยมาทางกรุงเทพเรียนจบปริญญาเอกได้หลายแผ น, นทุกเกือบตายเนี่ยอันนั้นโบม่นแม่งปัญญาแก้ทุกเนียปัญญาแก้ทุกเนี่โบโมากนน้อย พอมันคิดมารู้เอิญเอิญรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก่รู้จะเอาชนะมันได้ก็เหมือนกับนักมวยเนี่ยขึ้นในเวทีแล้วบบต้องไหว้ครูบบต้องไปซอกหาพระใจปิดดกมันยุ่สูดไดเนาะ อ, อยู่หน้าใดเนาอตัวอักษรมาอยู่ย่อหน้าบ่เนาะโบต้องซอ่อมโบต้องไปซอมจริงๆเรื่องนี้นี่แหละยอดของบุญณ์แท้ๆเนี่ยยอดของความว่ามีทุกนั่นแหละนี บุญคือยังยุบบุญคือรู้ตัวเห่านี่แล้วจีวา่ายังไงบุญมากที่สุดละเนี่ยรู้ตัวเหา่ารู้จากควมคิดเห่าในบุญมากที่สุดหาบุามีอันเปียบเลยบาปมากที่สุดคือยังเนี่ยเนบาปมากที่สุดคือคนลืมตัวนั่นแล้วคนบ่ชเห็นควมคิดตัวเองนั่นแล้วเป็นเนี่บาปมากเนยมันหกกทุกข์กับบาปกับอันเดียวกันนั่นแหละบุญได้ บ, บุญก็ บ, บุ่มีทุ ก, กอันเดียวกันมันน้อยน้อยครับพูดจะไปซอกหาสวรรค์อยู่บนฟ้า อย่าไปซอกอันนีผ่านอยู่บนฟ้าอย่าไปซอกมันนรกใต้ดินก็อย่าไปซอกมันเถือเพิ่นสอนให้เราแก้ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นสอน น, นี่อดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าไปสนใจมันอนาคตที่ยังมภูธนมาถึงอย่าไปสนใจมันแก้ปัจจุบันนี่เมื่อปัจจุบันเป็นอย่างใดอนาคตต้องเป็นอย่างสันที่มันเคยคิดอย่างสันก็คิดอย่างสันอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเราแก้แล้วมันหายไปได้เป็นอย่างสั ที่นํามาเราให้ฟังนี่เพื่อว่าปฏิบัติถ้ามันผิดแล้วอย่าไปปฏิบัติถ้ามันผูกแล้วก็นําไปปฏิบัติว่ามันแก้ไขตัวเองได้เมื่อตัวเองแก้ไขตัวเองได้แล้วก็ไปไว้ดผู้อื่นฟังผู้อื่นไปจิําไปปฏิบัติถ้าหากว่าบุญหยักผูกขันปฏิบัติธรรมะแล้วหา ก, กินได้บอสอ้าวคนมันต้องกินไหมว่าหา ก, กินมันเจให้ยังไงมันก็ต้องตายส่นะ ปฏิบัติธรรมะแล้วนุ่งผ้าเป็นบ่อ้าวบนุ่งผ้าเป็นเพา อ, อื้นทีเทศบ้านผมขอรเอื้นทีเทศเทศเปื่อยสินุ่งผ้าโบเป็นมนุ่งนุ่งเป็นนุ่งผ้าเป็นทําให้ทํานาเป็นทํทาทหัวทําส่วนเป็นขุดดินฟันไม้เป็นปฏิบัติธรรมะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดขึ้นในโลนัยศาสกระเปิดมันสบายได้มาเย็ดอกเย็นใจนี่ แต่แก้ปัญหาตัวเองได้นลยนะมันเป็นอย่างไรแล้วขึ้นไปที่ศาลมีทนายมาฟักมกังคะบมไปแล้วมันหูจักแล้วมันจะไปให้เงี้ยของโบดีของมันโบเฮ็ดแล้วโบเฮ็ดกับโบธนั่นแหละมันโบเฮ็ดมันโบธทรมของโบดีมันจะทำเห็นยังบธรรแล้วเป็นอยง น, นั้นดังนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของบุคคลที่มีทุก ถ้าหากบุมีทุกข์เลยบต้องปฏิบัติธรรมะก็ได้จะไปฟอกขากมันสิ่งที่ของบุมีฟอกหาม่นมันมีนี่นี่แหละที่ธรรมะที่จะไปใส่กับชีวิตประจําวันเมื่อเราเอาไปใสยกับชีวิตของเราได้แล้วคนอื่นคือการเมิดทุกคนนั่นนั้นผักกับปฏิบัติได้เรนกับปฏิบัติได้ญาติโยมกับปฏิบัติได้ปฏิบัติได้เมิดทุกคน